บันี้จกแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปเรื่องของสังโยชน์ได้แก่กิเลส ท, ที่ปลูกใจสัตว์ไว้ในระดับที่นอนเนื่องอยู่ภายในจิตต่อเมื่อมีอารมณ์มากระตุ้นจากข้างนอก หรือการเหนี่ยวนึกตรึกนึกของบุคคลเหล่านั้นเองอิเลตเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นรอบงาจิตใจแต่ว่าเวลาเกิดขึ้นรอบงามจิตใจจริงๆนั้นจะเป็นอาการของนิวรณ์สังห้าประการแม้จำนวนพูดถึงสังโยชน์ไว้ถึงสิบข้อพูดนิวรไว้เพียงห้าข้อ แต่เมื่อเราเกาะกลุ่มแล้วก็คงเป็นเรื่องของนิวรคงเป็นเรื่องของโลกปฎตรงนั่นเองสังโยชน์ที่อยู่ลึกที่สุดและยากต่อการที่จะทาลายให้หมดไปมากที่สุดก็คือเรื่องของอวิชาที่เราแปลว่าความไม่รู้หรือความรู้ไม่จริงเพราะคนที่จะขจัดอวิชาได้สิ้นเชิงก็ต้องอาศัยความรู้จริง ตำนองใล้ๆกับจุดใดจุดหนึ่งที่มีความมืดจู่สิ่งที่จะกระจัดในจุดนั้นได้ก็คือแสงสว่างที่ครอบคลุมพื้นที่ซึ่งความมืดเคยปกปิดเอาไว้ความสว่างก็จะอยู่ตรงนั้นแทนดังนั้นเราจึงพบว่าคนที่ได้ชื่อว่าพุท ธ, ธจริงๆที่สมบูรณ์ก็มีอยู่เพียงสามกลุ่มเท่านั้น คือพระอาหารหันตสมมาสัมพุทธะได้แก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายพระปัจเจกพุทธะได้แก่พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายและพระอนุพุทธะคือพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายนอกจากนั้นยังไม่ได้ชื่อว่ารู้ถูกต้องสมบูรณ์เพราะยังขจัดอวิชชาออกไปไม่หมด จะตั้งปัญหาถามว่าอาวิชชานั้นคืออะไรก็บอกว่าได้แก่ความไม่รู้หรือความรู้ไม่จริงในแปเรื่องใหญ่ๆด้วยกันคือไม่รู้ในเรื่องของทุกข์ไม่รู้ในเหตุเกิดของทุกข์ไม่รู้เรื่องความดับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับทุกข์ไม่รู้เรื่องของอดีตทั้งของตนเองและของบุคคลอื่นไม่รู้เรื่องอนาคต ไม่รู้ทั้งอดีต น, นาคตไม่รู้กฎของปฏิจจสมุปบาทหรือปัจจัยกาลซร่งอันที่จริงก็คือเรื่องของอริยสัจทั้งสี่ประการนั่นเองด็กนนเวลาพูดถึงการรู้ที่สามารถทำลายวิชาออกไปหมดสิน้นท่านพูดแค่รู้อริยสัจสี่ พอเมื่อรู้อริยสัจสีแล้วอีกสี่ประการข้างหลังก็จะถูกทำลายตามไปด้วยเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วเขาก็อยู่ในอริยสี่เหมือนกันประเด็นสําคัญของคาว่าความรู้ความไม่รู้กับความรู้ไม่จริงเป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงภายในจิตของผู้ประพฤติปฏิบัติ เพราะถ้าเรามองในด้านการศึกษาเรียนรู้ที่เราเรียกว่าปริยัตเราก็มีการศึกษามีการเรียนรู้ในเรื่องอริยสัจสี่เด็กปถมเองก็ท่องทุกสมุทัยนิโรธมากได้นั่นแสดงว่าระดับของปริยัติก็มีการเรียนรู้กันมีการศึกษากัน ถ้านียกว่าเป็นความรู้ระดับญาติปริญญาคือรู้ด้วยการเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสทั้งห้าแม้ใจจะทาหน้าที่รู้แต่ก็จริงแล้วก็เป็นเรื่องของความไม่รู้เพราะไรเพราเรายังประสบปัญหาเรื่องอริยสัจเรายังมีความทุกข์เพราะความเกิดเพราะความแก่เพราะความตาย เราการพละดพราดสูญเสียเพราะการไปกระทบกับเรื่องราวต่างๆตั้งดีบ้างไม่ดีบ้างในส่วนที่ดีๆก็มีการไขว่คว้าปรารถนาอยากได้อยากปีอยากเป็นในส่วนที่ไม่ดีก็เกิดอาการเครียดแคลนจริงฉ่งต้องการจะทำลายล้างเพราะส่วนที่ไม่ดีพลาดพลากจากไปก็ชื่นชมยินดี พะส่วนที่ดีพระพรากจากไปก็เศร้าโศกโทมนัตซึ่งแสดงอาการแปรผันภายในจิตใจที่อาศัยความรู้ในสิ่งเหล่านั้นไม่จริงดังนั้นจะสังเกตได้ว่าความโศกความรำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจความรับแค้นใจ ที่เกิดขึ้นจากการพลาดพลาดสูญเสียสิ่งบุคคลสัตว์นั้นเป็นทิรักหรือ ก, การต้องเกี่ยวข้องกับคนกษัตริย์กับสิ่งที่เราไม่ชอบจึงครอบงามจิตใจของสามัญชนทั่วๆไปแต่สําหรับคนที่มีความรู้จริงแม้สิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นและอาจจะเกิดรุนแรงมากกว่าเกิดแก่สามัญชน แต่เพราะความรู้ที่มีอยู่ภายในใจท่านก็สามารถตัดสินวินิจฉัยได้ในทันทีทันใดใจของท่านจะไม่ฟุบไม่แฟบจะไม่ฟูขึ้นจะไม่แควบปลงเพราะประสบกับความทุกข์ความสุขหรือประสบกับสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบและระดับนี้บางครั้งบางคราวก็เกิดขึ้นแม้แก่คนระดับที่เป็นประสระบธรรม ซึ่งว่าที่จริงก็ยังรู้ไม่ตลอดเหมือนกันแต่ในส่วนใดที่ท่านรู้เวลาประสบปัญหากับเรื่องเหล่านั้นก็แสดงความเป็นผู้รู้ออกไาเช่นนางมาริกาเทวีเมสสีก็ท่านพันธุระเสนาบดีที่ประสบกับความทัดทากสูญเสียสามีสามีและลูกถูก ฆ่าตายในคืนเดียวถึงสามสิบสามคนนางพอรู้ข่าวก็ไม่แสดงอาการเสียใจหรือไม่แสดงอาการดีใจคงทำงานที่เป็นภาระหน้าที่อยู่โดยปกติแล้วไม่บอกให้ใครรู้ด้วยเมื่อนางทาสีถือภาชนะเดินไปตกแตกต่อหน้าพระสารีบุตรเทระ ระษาดิบุตรกล่าวว่าสิ่งที่จะต้องแตกดับเป็นธรรมดาก็แตกแตกดับไปแล้วบุคคลไม่ควรคิดอะไรนางมาริกาเทวีได้ดึงเอาจดหมายที่บอกข่าวคร า, าวเรื่องสามีกับลูกชายถูกข่าตายแล้วเรียนระษาดิบุตรว่าแม้คนนันเป็นที่รักของดิฉันถูกฆ่าตายในคืนเดียวถึงสามสบสามคนก็ไม่ได้แสดงความเสียใจอะไร จะไปใส่ใจกับถ้วยแตกหรือภาชนะที่แตกได้ยังไงนั้นแสดงเห็นว่าในจุดนี้เป็นความรู้ความเข้าใจที่จริงเวลาประสบกับความพลาดพลากสูญเสียก็ไม่เศร้าโศกเสียใจแม้ยามได้อะไรมาก็ไม่แสดงความชื่นชมยินดีแต่ทหากาจ็จิตใจยังมีกิเลสอยู่ เวลาประสบกับการพลราดพลาดสูญเสียหรือการไม่ได้ตามที่ต้องการก็จะแสดงความรุนแรงออกมาเช่นความรู้สึกนึกคิดของพระเทวทัตที่ขออย่างนั้นขออย่างนี้ของอย่างน ốt และไม่ได้ตามที่ตัวต้องการก็แสดงความคับแค็งแสดงความไม่พอใจเพิ่มความปรารถนาเพิ่มความ โกรธแล้วก็เพิ่มความหลงขึ้นจนมีการกระทาที่รุนแรงออกไปโดยลำดับกระทาอันอนนันตริยกรรมจนถึงทำโลหิตตุปบัติได้ทำสงให้แตกแจากกันซึ่งก็มีคนเป็นคนเดียวที่ทำอั น, น, นตริยกรรมได้ทึงสองอย่างแสดงให้เห็นถึงความเพียรเกรียดที่มีอยู่ภายในจิตใจ แต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปว่าจิตใจท่านเป็นอย่างนั้นมาแต่เดิมหรือเปล่าก็เปล่าเราะก่อนนานั้นท่านก็มีจิตใ จ, จอ่อนโยนมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจนถึงกับสละทรัพย์สมบัติออกบวชในสำนักของพระพุทธจเจ้าความเพ็ินเพียทางจิตไม่นานเท่าไหร่ก็ได้บรรลุอภิญญา ได้บรรลุถึงระดับชาติแม้ไม่เป็นประยะบุคคลก็ตามแต่แสดงว่าจิตใจก็ไม่ใช่ธรรมดาเพียงแต่ว่าไม่ได้รู้ทุกโทษของกิเลสอย่างแท้จริงร้อยความปรารถนาความมากมากอยา ก, ยกใหญ่การซ่องเสพกับคนที่ผิดการตั้งจิตไว้ผิด เพิ่มปริมาณความรุนแรงของกิเลสออกไปแล้วก็กทำถึงอนันตรกรรมดังกล่าวเดี๋ยวคนบางคนที่ประสบความสูญเสียในขณะที่จิตใจท่านยังมีวิชาอยู่ก็มีเป็นปัญหาในด้านสุขภาพจิตจนเป็นบ้าเป็นหลังไปเช่นตัวอย่างพระประตาจาราเทรี ที่ประสบความรักรากสูญเสียในคืนเดียวลูกชายตายไปสองคนสา ม, มีหนึ่งพี่ชายหนึ่งกับพ่อแม่รวมแล้วเป็นหกคนสามคนพี่กับพ่อแม่ถูกเรือนถล่มพังทับตายลูกชายคนเล็กถูกสัตว์เจียวไปลูกชายคนโตตกแม่น้าตายสา ม, มีถูกงู ก, กัดกาย เพราะความไม่รู้เห็นดำความเป็นสิ่งตั้งหลักไม่ได้บนเพ้อรำพันไปด้วยประการต่างๆจนสติวิปลาสแต่หลังจากได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าฟังธรรมโดยอาศัยพุท ธ, ธานุภาพมารู้แจ้งเห็นจริงถึงความจริงคนที่ผงเคยเข้าตาและอออกจากตาได้ สามารถช่วยอธิบายชี้แจงการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะการพลราดพลาดสูญเสียของคนเราอื่นได้เป็นจํานวนมากก็พูดได้ว่าสำนักของพระปตาจรารเทรีภิกษุณีเป็นสำนักแก้ปัญหาของผู้หญิงที่พลาดพรากจากลูกโดยเฉพาะคือลูกตายได้เป็นจํานวนมากทําไมตอนหลังท่านทำได้เพราะท่านขาจัดอวิชาได้ ท่านรู้เห็นตามความเป็นจริงสามารถจะดึงเอาสิ่งต่างๆเข้ามาเป็นอุปกรณ์ในการชี้แจงความจริงของชีวิตให้คนเหล่านั้นทราบได้แล้วก็มีวิธีสอนที่แตกต่างกันตามพื้นฐานของผู้ฟังที่จะรับรู้ได้จะบางคนท่านอาจจะตั้งปัญหาให้คิดเอา ว่าลูกเหล่านั้นเมื่อจะมาถือปฏินสนธิในครันได้บอกเราล่วงหน้าก่อนหรือเปล่าแม่ของเด็กที่ตายก็บอกว่าเปล่าเมื่อตอนเธอจากไปนั้นได้ลาเราหรือเปล่าก็บอกว่าเปล่าเมื่อเป็นเช่นนี้ทําไมจะต้องเศร้าโศกเสียใจกับคนที่มาก็ไม่ได้บอกกล่าวอะไรจากไปก็ไม่ได้บอกกล่าวอะไร เพื่อแสดงเห็นถึงความไม่ผูกพันอย่างจริงๆแต่เป็นความผูกพันที่เกิดขึ้นด้วยความยึดมั่นหรือมั่นเอามีการกำหนดเอาว่าลูกของเราญาติพี่น้องของเราไม่ใช่มองไปที่ความตายเพราะความตายจริงๆมันเกิดขึ้นแก่นคนทั้งหลายทุกชีวิตที่เกิดมาแล้วต้องตาย ความตายจึงไม่ได้เป็นที่ตั้งของความเศร้าโศกสําหรับคนทุกคนแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าใครตายเพราะคนที่เป็นศัตรูก็เราตายบางทีเราก็ดีใจคนที่เราไม่รู้จักมักจีอะไรเราก็เฉยๆคนนั้นเป็นที่รักเท่านั้นที่ตายไปแล้วจึงเจ็โศกเพราะความรักเองมันก็เป็นเรื่องการปรุงแต่งเอาความโปรดเองก็เป็นเรื่องของการปรุงแต่งเอา ท่านเตือนท่านให้สติคนเหล่านั้นก็ได้หลักความคิดบางคนก็ออกบวชในตำนักภิกษุณีเป็นจำนวนมากข้อนี้จะเห็นได้ว่าความทุกข์ที่เราพูดกันที่เราแสดงกันที่เราศึกษาหรือแม้แต่สวดสาธยายกันแต่ถ้าเรายังไม่รู้จริงเราก็ทำได้แค่สวดยังมากก็แค่คิดเอา แต่ถ้าโดยพื้นฐานจริงๆให้ลองสังเกตดูว่าหากว่ากิเลสซึ่งเกิดเกาะกุมในคนในสัตว์เหล่านั้นไม่มากปัญญาก็ปรากฏอยู่ภายในจิตใจเราบมากดังนั้นเวลาคนอื่นประสบการณ์พลัดพราดสูญเสียเช่นพ่อแม่ตายลูกตายสามีตายผัญยาตาย เราเป็นเพื่อนผูงกับคนเหล่านั้นความเกี่ยวข้อง6ูกพันไม่มากคือเราไม่กระโจนลงสู่พ่วงของความเศร้าโศกกับเขาด้วยเรามีสติสัมปชัญญะพอพอในระดับที่จะอธิบายชี้แจงให้เพื่อนผูงเข้าใจถึงสัจจะความจริงของชีวิตเจ้าอย่าคิดอะไรมากก็เราตายไปแล้วร้องไห้ก็ไม่สามารถจะพื้นคืนมาได้ เขาตายไปแล้วเขาเป็นสุขไปแล้วเราทำบุญอุทิศกุศลให้แก่เขาเป็นต้นสามารถจะอธิบายจนกดื่นหายโศกได้นั่นแสดงว่าอะไรแสดงว่าความเกี่ยวเกาะด้วยอำนาจของกิเลสเรามีไม่มากเราไม่รู้สึกว่าสามีเราไม่รู้สึกว่าพ่อแม่เราไม่รู้สึกว่าลูกเราไม่รู้สึกว่าพัญญาของเราเพราะของเรามันไม่เกาะอยู่ตรงนั้นปัญญามันก็เกิดขึ้นในจุดนนั้ สามารถให้เหตุผลสามารถให้สติแก่คนอื่นได้เพราะว่าเรามีปัญญามากพอที่จะพูดในจุดนั้นแต่พอถึงกับเราเองก็มีลักษณะของผมเข้าตาเอาออกเองไม่ได้บางคนสามารถจะขีดเขียนหนังสือสามารถที่จะเป็นที่ปรึกษาของบุคคลอื่นแก้ปัญหาความทุกข์แก่คนอื่นได้ใช่ๆ แต่พอมาถึงตัวเองกันตั้งหลักไม่ได้นั่นคืออะไรนั่นคือความรู้ที่ไม่จริงเป็นความรู้ในรูปของปริยัตเป็นความรู้ในรูปของการคิดแต่ไม่ใช่เป็นความรู้ระดับหลักในทางพุทธศาสนาพระเจ้าจึงทรงเรียงเรื่องความรู้ไว้เป็นสามระดับหมายความมามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนั่นเอง แต่ความรู้สองระดับแรกแก้ปัญหาไม่ได้เพียงแต่ว่าเราต้องมีเราต้องผ่านขั้นตอนตรงนั้นมาข้อแรกเรียกว่าญาตปริญญาคือรู้ด้วยการเรียนรู้การศึกษาการฟังการอ่านการสนทนาการแลกเปลี่ยนความคิดความเป็นกันแน่นอนเราเกิดความรู้แต่ถามว่ายังเป็นอวิชชาอยู่หรือไม่ มันก็ขึ้นอยู่กับความรู้ของใครถ้าคนนั้นหมดกิเลสแล้วมันก็ไม่มีอวิชชาแต่ถ้าเป็นสามัญชนทั่วไปก็ถือว่ายังมีอวิชชาอยู่ความรู้ระดับหนึ่งเรียกว่าตีรณะณเปรัญญานำเรื่องเหล่านั้นมาคิดมาพินิษมาเพ่งมาตรวจสอบดูเพ่งจนจิตส ง, งบอยู่กับเรื่องเหล่านั้น เห็นความจริงในจุดนั้นในขณะนั้นแต่เป็นการเห็นโดยการศึกษาโดยการคิดเอาซึ่งบางครั้งบางคราวสามารถอธิบายได้ดังกล่มถ้าเรื่องเหล่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นกับเราก็แสดงว่าระดับนี้มันช่วยได้ระดับหนึ่งแต่แก้ปัญหาไม่ได้ตลอดยิ่งใกล้ตัวเท่าไหร่ยิ่งมีปัญหามากเท่านั้น เราสังเกตว่าการแนะนําคนอื่นให้มีเมตตาให้ให้อภัย ใ, ให้อดทนไม่ถือสาหาความเยาวพิมพ์เสนไปแลกเกลือแลกเกลือยาวทองไประ ก, กระเบื้องอะไรต่ออไรเนี่ยสามารถอธิบายได้แต่ถ้าคนนั้นเป็นศัตรูกับเราตรงๆเอาก็จริงเราก็ทําไม่ได้ที่บอกกับคนอื่นที่บอกว่าจะเอาพิมพ์เสนไปแลกเกลือ ก็ทําไม่ได้จะให้อภัยจะอดทนจะไม่ถือสาหาความจะมีเมตตาหรืก็ทําไม่ได้ฉันหมายความว่าเป็นระดับของการคิดการศึกษาออกไม่สามารถที่จะไขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นภายในใจเราได้แต่ในกรณีเดียวกันนั่นเองถ้าเกิดขึ้นกับคนอื่นเราก็อธิบายได้ สามารถไปชี้แจงสาธบายจนคนอื่นเลิกละกามอาฆาตพยาบาตกันได้เป็นความรู้ประเภทที่เรียกว่าช่วยตัวเองอย่างไม่ได้จึงจัดเป็นตรีรณะปะัญญาครานี้ไม่ต้องดูอื่นไกลแม้แต่เรื่องที่เราสวดพิญหาปัจจเวัขณะซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ แล้วยัยออกมากๆถ้าเราลองเทียบเคียงดูในแต่ละวันเรามีปัญหากันเรื่องสี่เรื่องเนี่ยเรื่องความแก่เรื่องความเจ็บเรื่องความตายเรื่องการพลัดพรากตื่นเช้าขึ้นมาจนถึงตอนเย็นตอนครับลองหันไปทบทวนดูจะพบว่าเราเจอปัญหากันตรงนี้เพราะอะไรเพราะในความแก่มันก็กระจายตัวเองเออกไปใหญ่ ในความเจ็บในความตายในความพลัดพรากมันก็กระจายตัวเองออกไปมากไปมันก็อยู่ในกรอบตรงนี้เป็นธรรมชาติธรรมดาแต่ก็เป็นปัญหาคาใจทีเราต้องมีปัญหากับเขาตลอดจนบางครั้งก็ต้องต่อต้านต่อต้านความแก่ก็พยายามที่จะกลบเกลื่อนด้วยวิธีการต่างๆที่ไม่ให้รู้สึกว่าตัวเองแก่หรือคนอื่นรู้ว่าตัวเองแก่ พยายามเจ็บก็พยายามป ก, ปกปิดกลบเกลื่อนกันด้วยวิธีการาต่างๆแต่ตามปกติแล้วเจ็บเราก็ไม่ค่อยปกปิดเท่าไรเท่าไรแต่จะปกปิดในรูปของการเจ็บใจมีปัญหาในด้านจิตใจคือโรคที่เกิดขึ้นภายในใจจะมีการปกปิดมากไม่ยอมให้คนอื่นรับรู้ไม่ยอมให้คนอื่น เข้าไปมีส่วนร่วมในการคิดในการแก้ปัญหาเห่านั้นแตพ่พอถึงตายก็มีการบอกกล่าวแต่เราเองก็แก้ปัญหาไม่ได้บางทีก็ดึงคนอื่นให้มามีปัญหาร่วมกันด้วยพอเกิดพละดพาดสูญเสียมันก็ไม่ใช่เป็นที่ตั้งของความดีใจเสมอเสียเสียใจเสมอไป เพียงแต่ว่าคนสัตว์สิ่งอันเป็นที่รักเท่านั้นเองพระพรากไปจะเกิดเสียใจแต่คนสัตว์ที่เราไม่ชอบเกิดพระพรากไปเราจะดีใจดีใจก็ผูกขึ้นก็ฟื้นฟงในเรื่องดั่งนีแต่ถ้าเรามองกลับไปที่ท่านผู้รู้เราจะเห็นว่าตรงนี้กลับเป็นครูอย่างดี เป็นอุปกรณ์ในการศึกษาสัจจะของชีวิตประจักษของชีวิตในแวดวงของความแก่เป็นอารมณ์ของกรรมฐานที่สอนให้บุคคลได้ศึกษาเรียนรู้ถึงความไม่เชี่ยงแท้แน่นอนของสัตว์สังขารทั้งหลายที่จะต้องตกอยู่ในกติธรรมดาเป็นธรรมทิติคือตั้งอยู่ตามธรรมชาติของมัน เป็นธรรมนิยามคืออยู่ในกฎเกณฑ์เงื่อนไขของธรรมชาติละความแก่นั้นยังอาศัยเงื่อนไขตัวอื่นเช่ น, นเรื่องของอากาศเรื่องของฤดูเรื่องของกรรมเรื่องของหน้าที่การงานต่างๆที่บุคคลเหล่านั้นรับผิดชอบตปัญหาของสุขภาพกายสุขภาพจิตเป็นต้นัวกลายเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ แล้วจะใช้การเวลาที่ความแ ก, ก่กำลังคืบคลานมารีบเร่งกระทำความดีเพราะว่าถึงจุดใดจุดหนึ่งที่มือเท้าของเราบังคับควบคุมอะไรไม่ได้เราก็ทำอะไรไม่ได้ผลบุคคข้าถึงความแก่แล้วจะไม่ไปใส่ใจว่าแก่มากหรือแก่น้อย พรขณะที่ชีวิตเลื่อนไหลไปสู่ความแก่ไปโดยลําดับนั้นความตายมันก็แทรกซ้อนขึ้นมาตรงไหนไม่มีใครรคู้่าทําให้เป็นการใช้ชีวิตที่ตื่นตัวที่พระเจ้าทรงสแสดงเป็นคุณลักษณะของพุทธสาวกวสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ตื่นและตื่นอยู่ด้วยดีตื่นอยู่ทุกเมื่อ ใช้ชีวิตในแต่ละขณะโดยอาศัยสติสัมจัญญานี่เป็นหลักรู้ธรรมดาของมันว่าความแก่นั้นเป็นธรรมดาก็ไม่ไปดิ้นรนแก้ไขอะไรที่มันแก้ไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยข้อสุดท้ายคือเรื่องของกรรมกรรมนั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดาหมายความว่า เราจะให้เกิดก็ได้เราจะไม่ให้เกิดก็ได้ซึ่งผิดกับความแก่ความเจ็บความตายการรับรากเราจะขอร้องอยังไงมันต้องเกิดป้องการอารขายัางไงมันต้องเกิดแต่กรรมนั้นไม่จำเป็นมันอยู่ที่เราจะทำหรือไม่ทำถ้าเราไม่ทำมันก็ผลกรรมก็ไม่เกิดกรรมเองก็ไม่เกิดต่อเมื่อเราทำเท่านั้นเองกรรมจึงจะเกิดผลกรรมก็จะเกิด ทำให้เราใช้ชีวิตที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลัดพรากสูญเสียดึกเฟ้นกระทำกรรมในทางชีวิตตายก็ตายดีแก่ก็แก่ศีลแก่ทานแก่ภาวนาเวลาจะเจ็บไข้คนก็สนใจคนก็ดูแลใจใส คนแสดงความก่วงใจอย่างคนที่แก่ทานแก่ศีลแก่ภาวนาเวลาเจ็บ่ายได้ป่วยคนก็จะแห่ไปดูแลจะใส่กันมาเวลาตายคนก็เศร้าโศกเสียใจคนก็แสดงความอาลัยให้ความเคารพนักตื่พรัดพรากคนอื่นก็เข้ามาช่วยเหลือนั่นเป็นการใช้ชีวิตในแนว ี่รู้เท่าทันระดับหนึ่งแน่นอนไม่ได้หมายความว่ารู้อย่างสมบูรณ์เพียงแต่ว่าเราแก้ปัญหาได้ในแต่ละระดับหมายความว่ากิเลสมันก็ลดลงไปธรรมะภายในใจก็เพิ่มขึ้นปริมาณสติปริมาณของสมาสัญาสูงขึ้นเราได้ประโยชน์จากความทุกข์ เพราะกสอนเราเห็นอยู่ทุกขณะและบางครั้งเราอาจจะเอาหมายคิดมันไม่ถึงกันละได้จริงแต่จะช่วยในการบรรเทาเพราะแนวปิญญาปัจจเวกขณะที่จริงก็คือคิดคิดพป็นิตพิจนาทรงสอนว่าคิดพป็นิตพิจนาบ่อยๆพิจนาหนึ่งๆพิจนาอยู่สม่ำเสมอคิดมันดู เช่นสมมติว่าชีวิตเรานั้นเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่เป็นตัวเป็นตนไม่มีตัวมีตนที่แท้จริงเอามาในยะเดียวว่าเพราะเราบังคับบัญชาให้เป็นไปต า, ามที่เราต้องการไม่ได้ทุกกรณีเราก็ดูโดยเฉพาะที่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเราบังคับบัญชาไม่ได้ แกเป็นธรรมดาก็แกแล้วเจ็บเป็นธรรมดาก็เจ็บแล้วพระพรากเป็นธรรมดาก็พระพรากแล้วตายเป็นธรรมดาก็ต้องตายแน่นแล้วแต่เอาความจริงบางอย่างเนี่ยเรื่องกรรมเนี่ยที่บอกว่าเราบังคับได้เราจะทำก็ได้เราจะไม่ทาก็ได้ไปอยู่ที่เราแต่ความจริงบางทีเราก็บังคับไม่ได้เหมือนกัน หมายความวมายังไงหมายความว่าเงื่อนไขปัจจัยต่างๆมันมีอยู่มากแม้ปรารถนาจะบังคับควบคุมเอาก็จริงบางทีก็ควบคุมไม่อยู่บางทีก็ควบคุมอยู่แต่แก่เจ็บตายนั้นเราป้องกันไม่ได้ในขณะเดียวกันเราก็ลดความรุนแรงเราไปได้ทำให้การใช้ชีวิตเป็นรูปของความตื่นตัว ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพราจึงกลายเป็นครูทั้งหมดแล้วก็เป็นเครื่องมือไปทั้งหมดเป็นอารมณ์ของกรรมาฐานเป็นการงานทางใจที่สงสอนให้ใช่ต่อจานี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป